กลิ่นชั่วร้ายเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ผู้อยู่ครองเรือนจะกำจัดได้ง่ายนักข้าพระองค์จะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพระเจ้าค่าลำดับนั้นกษัตริย์ทั้งหกพระองค์ทรงเลี่ยงไปด้านหนึ่งทรงคิดกันว่าธรรมดาพราหมณ์เหล่านี้มักอยากได้ทรัพย์ทางที่ดีเราควรเกลี้ยกล่อมมาหาโควินทพรามด้วยทรัพย์แล้วเสด็จเข้าไปหามาหาโควินทภรามตรัสอย่างนี้ว่า ในราชอาณาจักรทั้งเจ็ดนี้มีทรัพย์สมบัติมากพอเราจะขนมาให้ตามที่ท่านต้องการท่านมหาโควินทพรามกราบทูลว่าอย่าเลยพระเจ้าค่าทรัพย์ของข้าพระองค์นี้มีมากพอกับทรัพย์ของพระองค์ข้าพระองค์จะทอดทิ้งทรัพย์ทั้งสิน้นออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตด้วยว่าข้าพระองค์ได้ฟังเรื่องกลิ่นชั่วร้ายที่พระพรหมตรัสบอก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 ในราชอาณาจักรทั้งเจ็ดนี้มีสตรีมากมายเราจะนำสตรีมาให้ตามที่ท่านต้องการท่านมหาโควินทพรามกราบทูลว่าอย่าเลยพระเจ้าข้าข้าพระองค์มีพัญญาฐานะเท่ากันถึง40สบคนข้าพระองค์จะทอดทิ้งพัญญาทุกทุกคนออกจากเรือนบวชเป็นปรระชิตด้วยว่าข้าพระองค์ได้ฟังเรื่องกลิ่นชั่วร้ายที่พระพรหมตรัสบอก กลิ่นชั่วร้ายเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ผู้อยู่ครองเรือนจะกําจัดได้ง่ายนักข้าพระองค์จะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพระเจ้าค้ากริยัทั้งหพระองค์ตรัสว่าถ้าท่านโควินทะจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพวกเราก็จะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตบ้างท่านมีคติใดพวกเราก็จะมีคตินั้นด้วยท่านมหาโควินทพรามกราบทูลว่า หากพระองค์จะทรงละสิ่งที่น่าปรารถนาอันเป็นที่ค้องอยู่ของปุถุชนขอจงปรารบความเพียรทรงประกอบด้วยกำลังขันติจเจริญให้มั่นอยู่ทางนี้เป็นทางตรงไม่มีทางอื่นดีกว่านี้เป็นพระสัท ธ, ธรรมที่สั์บรุษ ร, รักษาไว้เพื่อไปเกิดในพรหมโลกกระสทัทั้งหพระองค์ตรัสว่าถ้าเช่นนั้นท่านมหาโควินทะขอจงรอคอยศักด์เจ็ดปี เมื่อเวลาล่วงเจ็ดปีพวกเราจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตท่านมีคติใดพวกเราก็จะมีคตินั้นด้วยท่านมหาโควินทพรามกราบทูลว่าขอเดชะใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทเวลาเจ็ดปีนานเกินไปข้าพระองค์ไม่อาจรอคอยพระองค์อยู่ได้ถึงเจดปีก็ใครจะรู้ชะตาชีวิตได้เล่าบุคคลต้องไปปรโลก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 ละถึงขอจงรอคอยสักห้าปีขอจงรอคอยสักสี่ปีขอจงรอคอยสักสามปีขอจงรอคอยสักสองปีขอจงรอคอยสักหนึ่งปีเมื่อเวลาล่วงไปหนึ่งปีพวกเราจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตท่านมีคติใดพวกเราก็จะมีคตินั้นด้วยท่านโควินทพรามกราบทูลว่า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 กลิ่นชั่วร้ายเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ผู้อยู่ครองเรือนจะกำจัดได้ง่ายนักข้าพระองค์จะออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตพระเจ้าข่ากระสั ท, ทั้งหกพระองค์ตรัสว่าถ้าเช่นนั้นท่านโควินทะขอจงรอคอยสักเจ็ดเดือนเมื่อเวลาล่วงเจ็ดเดือนพวกเราจะออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตท่านมีคติใดพวกเราก็จะมีคตินั้นด้วยท่านโควินทพรามกราบทูลว่า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 ขอจงรอคอยสักหนึ่งเดือนขอจงรอคอยสักกึ่งเดือนเมื่อเวลาล่วงไปกึ่งเดือนพวกเราจะออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตท่านมีคติใดพวกเราก็จะมีคตินั้นด้วยท่านโควินทพรามกราบทูลว่าขอเดชะใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทเวลากึ่งเดือนนานเกินไปข้าพระองค์ไม่อาจรอคอยพระองค์อยู่ได้ถึงกึ่งเดือนก็ใครจะรู้ชีวิตได้เล่า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 ขอจงรอคอยสักเจ็ดวันพอให้พวกเราสั่งสอนเรื่องราชกิจกับบุตรและพี่ชายน้องชายของตนของตนเสีก่อนเมื่อเวลาล่วงไปเจ็ดวันพวกเราจะออกจากเรือนบวเป็นบนรรพชิตท่านมีคติใดพวกเราก็จะมีคตินั้นด้วยท่านโควินทพรามกราบทูลว่าขอเดชะใต้ฝาละองทุลีพระบาทเวลาเจ็ดวันไม่นานเกินไป ข้าพระองค์จากรอคอยสักเจ็วันบอกลาพรามณมหาศารเป็นต้นท่านผู้เจริญทั้งหลายต่อมาท่านมหาโควินทะพรามเข้าไปหาพรามณมหาศารเจ็ดคน และพราหมนาหาดกเจร้อยคนถึงที่อยู่แล้วบอกว่าบัดนี้พวกท่านจงแสวงหาอาจารย์อื่นผู้จะสอนมนแก่พวกท่านเราปรารถนาจะออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตเราได้ฟังเรื่องกลิ่นชั่วร้ายที่พระพรหมตรัสบอกกลิ่นชั่วร้ายเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ผู้อยู่ครองเรือนจะกำจัดได้ง่ายนักเราจะออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตพวกพราหมมหาสารและพราหมนาหาดกกล่าวว่า ท่านโควินทะอย่าออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเลยบรรพชามีศัก์น้อยและมีลาบน้อยความเป็นพรามีศัก์ใหญ่และมีลาบมากท่านมหาโควินทะพรามตอบว่าพวกท่านอย่าพูดอย่างนี้ว่าบรรพชามีศัก์น้อยและมีลาบน้อยความเป็นพรามีศัก์ใหญ่และมีลาบมากใครกันเล่าที่มีศัก์ใหญ่กว่าหรือมีลาบมากกว่าเราเวลานี้เราเป็นเหมือนพระราชาของพระราชาทั้งหลาย เ ป, เ, เป็นเหมือนพระพรหมของพวกพราหมณ์เป็นเหมือนเทวดาของพวกข้าพเดีเราจะทอดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยว่าเราได้ฟังเรื่องกลิ่นชั่วร้ายที่พระพรหมตรัสบอกกลิ่นชั่วร้ายเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ผู้อยู่ครองเรือนจะกําจัดได้ง่ายนักเราจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพวกพราหมณ์นมหาสาลและพราหมณ์ณหาดกกล่าวว่าถ้าท่านโควินทะจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต แม้พวกเราก็จะออกจากเรือนบวชเป็นบันปะชิตท่านมีคติใดพวกเราก็จะมีคตินั้นด้วย <Okay. S 1> บอกลาพันยาท่านผู้เจริญทั้งหลายต่อมาท่านมหาโควินทพรามเข้าไปหาพันยาผู้มีฐานะเท่ากันทั้ง4ี่คนถึงที่อยู่แล้วบอกว่า น้องหญิงทั้งหลายน้องหญิงคนใดปรารถนาจะกลับไปยังตระกูลแห่งญาติของตนก็กลับได้หรือจะหาสามีใหม่ก็ได้ฉันปรารถนาจะออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตเพราะว่าฉันได้ฟังเรื่องกลิ่นชั่วร้ายที่พระพรหมตรัสบอกกลิ่นชั่วร้ายเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ผู้อยู่ครองเรือนจะกําจัดได้ง่ายนักฉันจะออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตภรญญาเหล่านั้นกล่าวว่า ท่านเท่านั้นที่เป็นญาติของพวกดิฉันผู้ต้องการญาติเป็นสามีของพวกดิฉันผู้ต้องการสามีถ้าท่านจะออกจากเรือนบวชเป็นบรณฑปชิตพวกดิฉันก็จะออกจากเรือนบวชเป็นบรณฑปชิต ด, ด้วยท่านมีคติใดพวกดิฉันก็จะมีคตินั้นด้วย มหาโควินทภรามออกบวชท่านผู้เจริญทั้งหลายเมื่อเวลาล่วงไปเจ็ดวันท่านมหาโควินทภรามโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตเมื่อท่านบวชแล้วได้มีผู้โกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิต ต, ตามอีกจำนวนมากได้แก่กษัตริย์ทิราชผู้ได้รับมูรธาพิเศกแล้วเจ็ดพระองค์ พรามณมหาสาลเจคนพรามนหาดกเจ0ร้อคนพัญญาผู้มีฐานะเท่ากันทั้ง40สิบคนกริย์พรามข้าบดีและหญิงรับใช้อีกหลายพันคนได้ทราบว่าท่านมหาโควินทะพรามผู้มีบริษัทนั้นแวดล้อมจะริกไปในหมู่บ้านนิคมและราชธานีทั้งหลายเมื่อท่านเข้าไปยังหมู่บ้านหรือนิคมใดก็เป็นเหมือนพระราชาของพระราชาทั้งหลาย เป็นเหมือนพระพรหมของพวกพราหมณ์เป็นเหมือนเทวดาของพวกข้าปดีในหมู่บ้านหรือนิคมนั้นเวลานั้นชาวบ้านผู้พลาดพรัง้งหรือลื่นหกลม้มพากันพูดอย่างนี้ว่าขอนอบน้อมแด่ท่านมหาโควินทพราหมณขอนอบน้อมแด่ท่านปุโรหิตของพระเจ้าแผ่นดินทั้งเจพระองค์ เจริญพรมวิหารสี่ประการมหาโควินทพรามมีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูนเป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ มีกรุณาจิตแผ่ไปตลอดที่ที่หนึ่งทิศที่สองทิ่ที่สามทิ่ที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมูเหล่าในที่ทุกสถานด้วยกรุณาจิตอันไพบู์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มีมุิตาจิตแผ่ไปตลอดที่ที่หนึ่งทิ่ที่สองทิศที่สามทิศที่สทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่าง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 เป็นมหาคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มหาโควินทพรามแสดงหนทางแห่งความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมในพรโมโลกแก่เหล่าสาวกสมัยนั้นเหล่าสาวกของมหาโควินทพรามผู้รู้คําสั่งสอนทั่วทั้งหมดหลังจากตายไปไปเกิดในสุคติพรโมโลกส่วนเหล่าสาวกผู้ไม่รู้คําสั่งสอนทั่วทั้งหมดหลังจากตายไป E shelf, บางพวกเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทพชั้นปรณิมมิตวะสวัสดีบางพวกเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทพชั้นนิมมานรดีบางพวกเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทพชั้นดุสิตบางพวกเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทพชั้นยามาบางพวกเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทพชั้นเดวดึงบางพวก เข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทพชั้นจาตุมหาราชผู้ที่ได้รับผลอย่างต่ำกว่าเขาทั้งหมดได้เป็นหมู่คนทันการบวชของกุลบทเหล่านั้นทั้งหมดจึงไม่เป็นโมคะไม่เป็นหมันมีผลมีกำไรด้วยประการาชนี้แลปัญจสิกะคันทบุตรทูลถามว่าพระผู้มีพระภาคทรงระลึกถึงเรื่องนั้นได้อยู่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ปัญจสิขะเรายังระลึกได้สมัยนั้นเราเป็นมหาโควินทรามได้แสดงทางแห่งความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมในพรหมโลกแกสาวกเหล่านั้นแต่พรหมจันนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเป็นไปเพียงเพื่อไปเกิดในพรหมโลกเท่านั้นส่วนพรหมจันทร์ของเรานี้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 สสัมมาสังกัปปะดำริชอบสสัมมาวาจาเจรจาชอบสสัสามมากรรมตะกระทำชอบหาสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะพยายามชอบเจสัมมาสติระลึกชอบแปสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบปัญจสิกขานี้แลคือพรหมจันทร์ที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับ เพื่อสงบระ ง, งับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพานปัญจสิกิขะเหล่าสาวกของเราผู้รู้คำสั่งสอนทั่วทั้งหมดทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเหล่าสาวกผู้ไม่รู้คำสั่งสอนทั่วทั้งหมดบางพวกเป็นโอปปาติกะเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำหประการสิ้นไป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 การบวชของกุลบุตรเหล่านี้ทั้งหมดจึงไม่เป็นโมคะไม่เป็นหมันมีผลมีกำไรด้วยประกาศรัชนีแลเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ปัญจสิกะคันทับบุตรมีใจยินดีชื่นชมอนุโมทนาพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแลวถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหายไปจากที่นั้นเองมหาโควินทสูตรที่ห เจ็ดมหาสมยสูตรว่าด้วยการประชุมครั้งใหญ่ของเทวดาข้าพเจ้าด้ยสดะดมาอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ป่ามหาวันเขตกรุงกระบิลพั์แควนศักกะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อยรูปซึ่งล้วนเป็นพระอรหันต์มีเหล่าเทวดาจำนวนมากจากสิบโลกธาตุมาประชุมกันเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคและเยี่ยมภิกษุสงฆ์เทพชั้นสุทาวาสสี่องค์ได้มีความดำริดังนี้ว่า พระผู้มีพระภาคพระองค์นี้ประทับอยู่ที่ป่ามหาวันเขตคลุงกระเบิลพัทแควนสักกะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รอรูปซึ่งล้วนเป็นพระอระหันต์มีเหล่าเทวดาจำนวนมากจาก1ิบโลกธาตุมาประชุมกันเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคและเยี่ยมภิกษุสงฆ์ทางที่ดีเราก็ควรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วกล่าวคาถาองค์ลักขถาในสำนักพระผู้มีพระภาค ลำดับนั้นเทพเหล่านั้นหายไปจากเทวโลกชั้นสุทาวาสมาปรากฏณเบื้องพระพักพระผู้มีพระภาคเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่ณที่สมควรเทพองค์หนึ่งได้กล่าวคถานี้ว่าการประชุมครั้งใหญ่ในป่าใหญ่นิ ม, มูเทพมาประชุมกันพวกเราพากันมายังธรรมมาสมัยนี้ ก็เพื่อได้เยี่ยมสงฆ์ผู้ไม่พแพ้แพ้จากนั้นเทพอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ว่าภิกษุทั้งหลายในที่ประชุมนั้นมีจิตมั่นคงทําจิตของตนของตนให้ตรงภิกษุผู้เป็นบัณฑิตย่อมรักษาอินทรีย์ไว้เหมือนสารถีผู้กุมบางเฮียนขับรถม้าไปเทพอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ว่าภิกษุเหล่านั้นตัดกิเลส ด, ดังตะปู กิเลสดังลิ่มสลักถอนกิเลสดังเสาเขื่อนได้แล้วเป็นผู้ไม่หวั่นไหวบริสุทธิ์เป็นผู้ปราศจากมนทินเที่ยวไปเป็นผู้อันพระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักษุทรงฝึกดีแล้วเหมือนช้างหนุ่มฉะนั้นเทพอีกองหนึ่งได้กล่าวคาถานี้ว่าเราชนผู้นับถือพระพุทธเจ้าเป็นสารณะจากไม่ไปสู่อบายภูมิครั้นละกายมนุษย์แล้ว จกทาให้หมู่เทพเจริญเต็มที่การประชุม um ของเทวดาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรือกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเทวดาจำนวนมากใน1ิโลกธาตุ ประชุมกันเพื่อเยี่ยมตถาคตและภิกษุสงฆ์ภิกษุทั้งหลายพวกเทวดาของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตการที่มาประชุมกันครั้งที่มีจํานวนสูงสุดก็เท่ากับพวกเทวดาของเรานี้เองที่มาประชุมกันในบัดนี้พวกเทวดาของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอนาคตการที่มาประชุมกันครั้งที่มีจํานวนสูงสุด ก็เท่ากับพวกเทวดาของเรานี้เองที่มาประชุมกันในบัดนี้เราจะบอกชื่อของหมู่เทพจากระบุชื่อของหมู่เทพจากแสดงชื่อของหมู่เทพเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะ ก, กล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัดแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่าเราจะกล่าวเป็นคาถาเราภูมิมเทวดาอาศัยอยู่ในที่ใด เหล่าภิกษุก็อาศัยอยู่ในที่นั้นภิกษุเหล่าใดอาศัยซออเขามีจิตมุ่งมั่นมีจิตตั้งมั่นพวกเธอมีจำนวนมากเร้นอยู่เหมือนราชสีข่คมความขนพองสยองกล้าวได้มีจิตสะอาดหมดจดผ่องใสไม่ขุนมัวพระศ า, ศาสดาทรงทราบว่ามีภิกษุกว่าห้าร้อยรูปผู้อยู่ในป่าในเขตกรุงกบิลพัท จึงรับสั่งเรียกพระสาวกผู้ยินดีในศาสนามาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายหมู่เทพมุ่งมากันแล้วพวกเธอจงรู้จักเทพเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดํารัสแล้วพากันทําความเพียรจึงมียานอันเป็นเหตุให้เห็นพวกอมนุษย์ปรากฏขึ้นภิกษุบางพวกเห็นอมนุษย์ร้อยตนบางพวกเห็นพันตนบางพวกเห็นเจ็ดหมื่นตน บางพวกเห็นแสนตนบางพวกเห็นมากมายไม่มีที่สิ้นสุดอมนุษย์อยู่กระจายไปทั่วทุกทิศพระศาสดาผู้มีพระจักสุทรงทราบเหตุทั้งหมดทรงกาหนดแล้วจึงรับสั่งเรียกพระสาวกผู้ยินดีในศาสนามาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมูเทพมุ่งมากันแล้วเธอทั้งหลายจงรู้จักมูเทพเหล่านั้น เราจะบอกเธอทั้งหลายด้วยวาจาตามลำดับยักษ์ 7,000 ตนที่เป็นภูมิเทวดาอยู่ในกรุงกบิลพัฒมีริ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพันธุ์งดงามมียศ ต่างยินดีมุ si ่งมายังป <ac ev iences away> ่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายยักษ์6 0พันตนอยู่ที่ภูเขาหิมพานมีผิวพันธ์หลายหลากมีริ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพันธ์งดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายยักษ์ส0 0พันตนอยู่ที่ภูเขาสาตาคีรีมีผิวพันธ์หลายหลากมีริมีความรุ่งเรือง มีผิวพันธุ์งดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายยักษ์เหล่านั้นรวมเป็นหนึ่งตนมีผิวพันธุ์หลายหลากมีริษมีความรุ่งเรืองมีผิวพันธุ์งดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายยักษ์ห้าตนอยู่ที่ภูเขาเวสามิตรมีผิวพันธุ์หลายหลากมีริษมีความรุ่งเรือง มีผิวพันธุ์งดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายคุณ ม, มะพีระยักษ์ผู้รักษากรุมราชครึ๊อยู่ที่ภูเขาเวปุลละมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพันธุ์งดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลาย เท้าทะตารฐะปกครองทิศตะวันออกเป็นหัวหน้าของพวกคนทันเป็นมหาราชผู้มียศแม่บุตรของเธอมีจํานวนมากต่างมีพลังมากและมีชื่อว่าอินทะมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายเท้าวิรุณหกปกครองทิศใต้เป็นหัวหน้าของพวกกลุมพันเป็นมหาราชผู้มียศ แม่บุตรของเธอมีจำนวนมากต่างมีพลังมากและมีชื่อว่าอินทะมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายท้าววิรูปักปกครองทิศตะวันตกเป็นหัวหน้าของพวกนาคเป็นมหาราชผู้มียศแม่บุตรของเธอมีจำนวนมากต่างมีพลังมากและมีชื่อว่าอินทะมีฤทธิ์ มีความรุ่งเรืองมีผิวพันธุ์งดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายเท้ากุเวนปกครองทิศเหนือเป็นหัวหน้าของพวกยักษ์เป็นมหาราชผู้มียศแม้บุตรของเธอมีจำนวนมากต่างมีพลังมากและมีชื่อว่าอินทะมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพันธุ์งดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิษุทั้งหลาย เท้าทะตาระรถะอยู่ทางทิศตะวันออกเท้าวิรุณหกอยู่ทางทิศใต้เท้าวิรูปักอยู่ทางทิศตะวันตกเท้าขูเวนอยู่ทางทิศเหนือเท้าจาตุมหาราชนั้นมีแสงสว่างส่องไปโดยรอบทั่วทั้งสีทิศสถิตยอยู่ในป่าเขตกรุงกระบิลพัทพวกผู้รับใช้ของเท้าจาตุมหาราานั้นเป็นพวกมีมายาหลอกลวงโอ้อวดก็มาด้วย พวกผู้รับใช้ที่มีมายาคือกุเตนทุเวเตนทุวิตูวิตุตะจันทนะกามเสตะกินนุคันทุและนิคันทุก็มาด้วยปนาทะโอปมัญญะมาตรลิผู้เป็นเทพสารถีจิตเนะเสณะนโลราชาชนโนสภะปัญจะสิกะติมะพรุ คันทัพเทวราชาและสุริยะวัชสาคันทัพเทวทิดาก็มาด้วยเทวราชเหล่านั้นและคนทันอื่นๆที่มาพร้อมเทวราชต่างยินดีมุ่งมยายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายอันหนึ่ง มูนาคที่อยู่ในสะนาพสะและที่อยู่ในครุงเวสาลีมาพร้อมด้วยพวกนาคตัชกะนาค ก, กัมพลและนาคอัเดรก็มาด้วยและนาคที่อยู่ในท่าปายาคะก็มาพร้อมด้วยหมู่ญาตินาคผู้อยู่ในแม่น้ํายมุนาและนาคที่เกิดในตระกูลทตตะรทะผู้มียศก็มาพญาช้างเอระวันก็มายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลาย เาครุตผู้เป็นทิพย์มีในตาบริสุทธิ์ผู้สามารถจับนาคราชได้ฉับพลันผู้บินมาทางอากาศถึงถ้ำกลางป่ามีชื่อว่าจิตระสุบันเวลานั้นพวกนาคราชไม่มีความหวาดกลัวเพราะพระพุทธเจ้าทรงกระทำให้ปลอดภัยจากครุตหน้ากับครุตเจรจากันด้วยวาจาอันไพเราะต่างมีพระพุทธเจ้าเป็นสรนะาระอสูรพวกที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทร เป็นผู้พ่ายแพ้ต่อพระอินทร์ผู้ถือวัชิราวุธอสูรเหล่านั้นมีฤทธิ์มียศเป็นพี่น้องของท้าววาสวะพวกอสูรกาลกัญชะมีร่างน่ากลัวมากพวกอสูรธานาเวคสะอสูรเวปจิตติอสูรสุจิตติอสูรปหาราทะและพญามานนมุจีก็มาด้วย บุตรของพลิอสูนร้อยตนที่มีชื่อว่าเวโรจนะทุกตนต่างสวมเกราะเข้มแข็งเข้าไปใกล้าราหูจอมอสูนแล้วกล่าวว่าขอความเจริญจงมีแก่ท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ท่านควรเข้าไปสู่ป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลาย เวลานั้นเทพสิบหมู่คืออาโปปัทวีเตโช ว, วาโยวรุณะวารุณะโสมะยศะเมตตาและกรุณาเป็นผู้มียศก็มาด้วยเทพทั้งสิบหมู่นี้แบ่งเป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีผิวพันธ์หลายหลากมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพันธ์งดงามมียศ ต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายเทพสิบหมู่คือเวณฑูสหาลีและเทพสองหมู่คืออาสมาและยะมะก็มาเทพผู้อาศัยพระจันทร์มีพระจันทร์นำหน้ามาเทพผู้อาศัยพระอาทิตย์มีพระอาทิตย์นำหน้ามาพวกเทพมันทวลาหกะมีพระนักสัตว์นำหน้ามาพระอินท์ผู้เป็นเท้าสักกะ ผู้เป็นเท้าปุรินทะเท้าวาสะวะประเสริฐกว่าเหล่าเทพวสุก็มาเทพทั้งสิบหมู่นี้แบ่งเป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีผิวพันธ์ไหลหลากมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพันธ์งดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลาย เทพอีกสิบหมู่คือสหภูผู้รุ่งเรืองดังเปลวไฟอริตกะโรชะผู้มีรัศมีดังสีดอกผักตบวรุณะสหธรรมอจุตะอเนชะกะสุเลยะรูจิระและวาสวเนศิก็มาเทพทั้งสิบหมู่นี้แบ่งเป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีผิวพรรณไหลหลากมีฤทธิ์มีความรุ่งเรือง มีผิวพันธุ์งดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายเทพอีกสิบหมู่คือสมานะมหาสมานะมนุษะมนุสุตมะคิทธาปทูสิกะมโนปทูสิกะหริโลหิตวาสีปาราคะและมหาปาราคะผู้มียศก็มาเทพทั้งสิบหมู่นี้แบ่งเป็นสิบพวก ทั้งหมดล้วนมีผิวพันธ์หลายหลากมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพันธ์งดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายเทพอีกสิบหมู่คือสุกะกรุมหะอรุณะเวคณะสะโอทาตะไคหะผู้เป็นหัวหน้าวิจักขณะสถามัตตะหาราคาชะมิสกะผู้มียศ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 เทพอีกสิบหมู่คือเทพพวกเขมียะเทพชั้นดุสิตเทพชั้นยามาเทพพวกกัฏกะผู้มียศเทพพวกลำพีตกะเทพพวกลามเสถะเทพพวกโชติอาสวะเทพชั้นนิมานรดีและเทพชั้นปรนิมมิตวัสวัตดีก็มาเทพทั้งสิบหมู่นี้แบ่งเป็นสิบพวก ทั้งหมดล้วนมีผิวพันธ์หลายหลากมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพันธ์งดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายเทพทั้งหมด60สบหมูล่ล้วนมีผิวพันธ์หลายหลากมาแล้วตามกำหนดชื่อหมู่เทพและเทพพวกอื่นผู้มีผิวพันธ์และชื่อเช่นนั้นก็มาด้วยคิดว่าพวกเราจะเข้าพบพระนาคผู้ไม่มีการเกิดไม่มีกิเลส ด, ดังตะปู ผู้ข้ามโอกคได้แล้วไม่มีอาสวะผู้พ้นโอกคได้แล้วล่วงพ้นธรรมดำดังดวงจันพ้นจากเมฆฉะนั้นสุพรมและประมัตรพรมผู้เป็นบุตรของพระผู้ทรงฤทธ์ ก, ก็มาด้วย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 เมื่อเสนามานมาถึงพระศาสดาได้ตรา ก, กับพวกเทพทั้งหมดเหล่านั้นพร้อมทั้งพระอินทร์และพระพรหมผู้ประชุมกันอยู่จงดูความโง่ขลาวของกันหามานมหาเสนามานได้ส่งเสนามานไปในที่ประชุมใหญ่ของเหล่าเทพด้วยคําว่าพวกท่านจงไปจับหมู่เทพผูกไว้พวกท่านจงผูกไว้ด้วยราคะเถิดจงล้อมไว้ทุกด้านใครๆอย่าได้ปล่อยให้ผู้ใดหลุดพ้นไป แล้วก็เอาฝ่ามือตบแผ่นดินทำเสียงน่ากลัวแต่ในเวลานั้นไม่อาจทำให้ใครตกอยู่ในอำนาจได้จึงกลับไปทั้งที่เกลี้ยวโกรธเหมือนเมฆฝนที่บันดานให้ฝนตกฟ้าร้องฟ้าแลบฉะนั้น ศาสดาผู้มีพระจักสุทรงทราบเหตุทั้งหมดทรงกำหนดแล้วจึงรับสั่งเรียกพระสาวกผู้ยินดีในศาสนามาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเสนามานมุ่ง ม, มากันแล้วพวกเธอจงรู้จักพวกเขาภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดารัสแล้วพากันทำความเพียรเสนามารหลีกไปจากเหล่าภิกษุผู้ปราศจากราคะไม่อาจแม้ทาขนของภิกษุเหล่านั้นให้ไหวได้ พยามารกล่าวสรรเสริญว่าหมู่พระสาวกของพระพุทธเจ้าชนะสงครามแล้วทั้งสิน้นล่วงพ้นความหวาดกลัวมียศปรากฏอยู่ในหมู่ชนบันเทิงอยู่กับผู้ทั้งหลายมหาสมยสูตรที่เจ็จบ